ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางร้านร่างกา ย, ยาเช่นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยโรคภายไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากไวรัตับอักเสบซีเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวมันเองขึ้นจากไวรัสตับอักเสบซีธรรมดามันก็เกิดอาการเรื้อรัง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 จะมีอาการอ่อนเพลียคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะรู้สึกอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนจะไม่ค่อยมีแรงทำงานหรือทำหน้าที่อะไรแต่ังนั้นก็จะมีโรคอาการเบืออาาเบ่ออาหารเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารมันจึงต้องมีอาหารเสริมมียา บ, บำรุงอะไรมากมายสำหรับคนที่เป็นโรคตับ อีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออาการนอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับนี่มันเริ่มจากกลางคืนกลางคืนจะนอนไม่หลับแต่กลางวันอาจจะหลับคือจะเปลี่ยนโปรแกรมจากกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันไปเลยอันนี้มันมีแค่อาการถถที่เห็นได้ชัดเจนแต่จริงมันมีมากกว่า น, นี้แต่เอาอาการที่มันเห็นกันง่ายๆแค่นี้ก่อน ไอ้โลกนอนไม่หลับเนี่ยผมเองก็เป็นนะเนี่ยผมก็ปกติเป็นคนที่นอนหลับง่า ย, ยพถึงเวลาสองทุ่มเนี่ยพอตั้งเตหลับปั๊บมันก็ปิดสวิทมันก็ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็หลับไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการกล่อมจิตให้หลับหรือทํากรรมฐานอะไรพอคิดว่ า, าจะหลับมันก็หลับไปเลยซึ่งเป็นคนที่หลับง่ายมากแต่พอเราต้องมาเป็นโรค มาเลงตับเลียสุดท้ายเนี่ยผมจะนอนไม่ค่อยหลับละอาการที่หมอเขาบอกไว้จะนอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่ไม่ค่อยหลับเฉพาะกลางคืนนะกลางวันก็ไม่หลับบางทีใช้หลับจังหวะแค่สี่ห้าชั่วโมงจะหลับสั้นๆหลับชั่วโมงนึ่งก็ตื่นละร่างกายจินอ่อนเปลี้ยมันคนนอนไม่อิ่มแต่ที่จริงแล้วอาการที่ผมเป็นเนี่ยแม้จะนอนไม่ค่อยหลับผมก็รู้สึก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 มันก็เป็นเรื่องธรรมชาของคนทุกค น, กคนแปลว่าเราไม่ได้ใช้จิตใจคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเราก็หยุดทางด้านจิตใจได้แต่ว่าทางด้านร่างกายเนี่ยมันก็มีทุกเวตนาหลุมเล้าทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับหรือท่าทางการนอนต่างเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับจะนอนให้หลับสบายแม้ว่าจิตใจมันไม่ได้คิดอะไร แต่สังเกตดูจิตใจแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรนะกับการนอนไม่หลับก็ไม่เป็นทุกข์เรายอมรับได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งเราก็ปล่อยใจใสบายๆกล่อมจิตกล่อมใจเลยทำใจให้สบายๆไม่ได้คิดอะไรมันก็หลับไปเลยก็มีนะหลับไปอย่างสบายๆแต่ยังไงสิ่มันก็หลับได้ไม่ยาวหลับได้สั้นๆชั่วโมงหนึงตื่น2ชั่วโมงตื่น ไม่เกิน3ามชั่วโมงมันจะต้องมีอาการตื่นวะซึ่งหลับจะใช้เวลาไม่นานแต่มันเป็นการเป็นการหลับที่หลับลึกแต่เราสําคัญคือเรารูใจแล้วแล้วมันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์กับอาการนไม่หลับเรายอมรับได้ได้เราเข้าใจคือคนเราจะเข้าใจอะไรเนี่ยมันต้องรู้จักยอมรับแล้วก็สังเกตดูว่า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 ถ้าเรามองเรื่องธรรมดาเราจะไม่ต้องไปแก้ไขเลยเล ย, เยคือการยอมรับพอยอมรับใจมันก็ผ่อนคลายทีนี้ยังไงมันก็หลับสบายเลยแต่ผมเคยใช้การนอนไม่หลับตั้งแต่สมัยทำกรรมฐานใหม่ๆแลสมัยที่ฝึกตอนที่ร่างกายพิการใหม่ๆแล้วก็สายการนอนไม่หลับจากความคิดเยอะคิดมากเนี่ยโดยการฝึกทากรรมฐานนะเอาละมันไม่หลับก็ไม่หลับกัน เราจะเจริญสตินอนพลิกมือใมัยันสว่างไปเลยพอเราทําใจยอมรับแบบนี้ได้แล้วก็บุ้งหน้าที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ต่อต้านกับไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วก็รู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันก็จะหลับไปเองและยิ่งมาต่อระย่างหลังนี่ความคิดไม่มีไม่เคยมีความคิดอะไรมีแต่เรื่องทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นความปวดท้อง อานะการท้องอื่นหายใจไม่ค่อยดีบางทีก็มีอาการอ่อนเพลียบ้างาทั้งนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เนื่นองขึ้เรื่องร่างกายแต่เรื่องความคิดไม่มีไม่มีความคิดอะไรที่จะบันแท้ทําให้เรามองเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคไปได้แต่ที่สําคัญคือเราได้ความรู้จากการนอนไม่หลับของเราได้ความรู้อาจจะเป็นความรู้ที่เกิดจากจินตามิไม่ใปัญญาคือการนึกคิด แต่การนึกคิดเนี่ยมันนำไปสู่การเผาน้าให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเวลาเลือกที่ ท, ทเมื่อนอ น, อนไม่หลับหรือเจอปัญหาอะไรก็ตามที่เรามองเป็นปัญหาให้เรารู้จักสังเกต ด, ดูดีๆเถอะรู้จักยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติมันคือธรรมชาติของทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นพอมองเห็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ย